สิกขาบทที่สาถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้จงใจก่อความไม่ผาสุกแก่ภิกษุณีณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารบภิกษุณีทุลณนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันธาจงใจก่อความไม่ผาสุกแก่ภิกษุณีในสิกขาบทที่สามนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสมสมุดฐานละ